الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني بنك انك ر ا في في في في في ي ف ك م ในชีวิตของพี่น้องที่มาร่วมในมุซัลลาของ i ว e c h ช n n e l รับฟังมาริลซ่าเอลมีการอ ธ, าธิบายความหมายอัลกุรานเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราที่จะฟังบรรยายหรือผมจะบรรยายในรูปแบบวิธีใหม่หรือที่เขาเรียกกัน new normal ซึ่งไม่คาดคิดนะครับว่าในชีวิตจะพบหรือจะจะเห็นรูปแบบการประกอบศาสน ก, กิจที่จะต้องมีภาวะจำเป็นที่จะให้คนที่มาละหมาดจะต้องละหมาดห่างกันและคนที่มาฟังบรรยายก็จะต้องมา มาฟังบรรยายห่างๆกันตามมาตรการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ที่วิจัยแล้วเห็นว่าการแพร่เชื้อมักเกิดจากการใช้ชีวิตแบบอยู่ใกล้ชิดซึ่งเกิดกับเชื้อไวรัส โคโรนาโควิด -19 เนี่ยโดยเฉพาะที่มันมีพฤติกรรมแพร่ตัวกับคนที่อยู่ใกล้ๆกันมากกว่ามากกว่าคนที่อาจจะใช้ชีวิตห่างๆกันในกิจวัตรต่างๆซึ่งสำหรับมุสลิมเองนะครับ กิจวัตรของเราแม้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องศาสนานันก็คือเรื่องอบิบาดะเรื่องประกอบศาสนากิจหรือเรื่องทั่วๆไปเช่นเรื่องการีตประเพณีของมุสลิมโดยการทักทายใช้สลามสัมผัสมือหรือการกอดกันสัมผัสตัวกันอย่างใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกเว้นวรรค สักระยะหนึ่งจนกว่าไวยรัสตัวนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอฺ า, าล้ทดสอบพวกเราเด้วยภาวะของโรคระบาดนี้ให้มันผ่านพ้นไปฉะนั้นถึงจะมีมาตรการนี้เราก็ยังเห็นมุสลิมเราก็แบ่งเป็นหลายหลายจำพวกเช่นเคยนะ คือจำพวกที่ไม่ยอมรับเลยแนวในแนว new normal เนี่ยก็คือจะละหมาดละหมาดทางกันดีไม่ได้ะันั้นปิดมสัสยิดปิดสุเร่าไปแล้วไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องละหมาดแบบนี้หรอกมันก็จะมีเนี่ยความคิดสุดโตรงแบบนี้ที่ไม่ไม่เข้าใจในความยืดหยุ่นของหลักการศาสนา แล้วจะมีจำพวกที่ไม่ขัดข้องกับเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขแต่เนื่องจากความไม่เคยชินไม่เคยชินที่จะใส่แมสไม่เคยชินที่จะนำผ้าสจัจอร์ส่วนตัวไม่เคยชินที่จะล้างมือบ่อยอไม่เคยชินที่จะงดเรื่องสลามสัมผัสมือนี่พอเจอกันโอ้คิดถึงกันมาก ทั้งดั้งนี้ไอ้ความระมัดระวังเนี่ยเราบอกว่าระมัดร ะ, ระวังไม่ได้ป้องกันตัวเราเอย่างเดียวนะป้องกันพี่น้องเราด้วยคือเรานึกเสมอนะครับว่าคนที่แพร่เชื้อนี่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นคือตัวร้ายนะ <c ười> คือตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อก็ได้แล้วเราอาจจะเป็นตัวที่นำเชื้อไปไปแพร่ต่อ กับสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนอ่อนแอหรือคนที่มีโรคประจําตัวซึ่งเขาจะมีความเสี่ยงกับการรับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาการที่มันหนักสาหัสมากกว่าคนอื่นก็คือคนที่คนที่เป็นสูงอายุและคนที่มีโรคประจําตัวมีโรคเบาหวานความดันหัวใจ ระบบหายใจอะไรพวกเนี้นะพ อ, พอมาเจอไวรัสตัวนี้นี่มันก็มันก็จะแย่แย่กว่าคนอื่นเราก็จะป้องกันตัวเราและก็ป้องกันคนอื่นด้วยซึ่งก็แนวโน้มนะครับว่ามาตรการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์เนี้ยที่มันไม่ได้มาจากเรื่องเปล่ามาจากงานวิจัยแล้วก็ได้เห็นผลของมันในหลายประเทศโดยเฉพาะบ้านเรา นะครับที่สามารถยุติการแพร่เชื้อด้วยมาตรการ social distancing ก็คือการให้มีระยะห่างในกิจวัตรต่างๆในสังคมรวมถึงการประกอบอาชีพทั้งหลายรวมถึงเรื่องประกอบศา ส, ะสะน ก, กิจให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับสรุปแล้วว่าชีวิต ของมนุษย์เนี่ยมันก็คงต้องเดินต่อไปแหละแต่เดินต่อไปด้วยรูปแบบที่เราเผื่อไว้นิดหนึ่งความระมัดระวังนี้มันก็มีในชีวิตของเราอยู่แล้วเราเนี่ยมีวินัยในในความระมัดระวังในหลายด้านในด้านความสะอาดในด้าน แม้กระทั่งด้งานสาธารสุกเนี่ยเราก็ระวังนะครับปกติแล้ว่นะ อ, อย่างปกติก่อนที่จะมีโรคระบาดนะจำได้ไหมก็มีคนเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะใส่แมสทําไมอยากก่ากลัวติดเชื้อก็มีเหมือนกันนะก็แสดงว่าไอ้ไอเรื่องความระมัดระวังเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วเพียงจะเพียงแต่จะเพิ่มเพิ่มวินัยเหมือนเหมือนเพิ่มวินัยจะราะจรในบางพื้นที่อ่ะนะ บางพื้นที่ถนนก็โลง่ง ก, ก็อาจจะอุ้ยใดอาจจะไม่ต้องระวังอะไรมากนะครับแต่บางพื้นที่เนี่ยรถถ้ารถติดหรือคนข้ามถนนเยอะอะไรเนี่ยก็ต้องเพิ่มเพิ่มวิยไหนนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้เราอยากให้กิจวัตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยได้กลับมาสู่สังคมของเราเหมือนเดิม เราก็เชิญส่วนพี่น้องให้เพิ่มความระมัดระวังและก็เพิ่มวินัยตรงนี้ให้เป็นที่ไว้วางใจนะครับสำหรับสังคมของมุสลิมได้เคร่งครัดปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในเรื่องนิวโนโมเนียเรื่องละหมาดของเราจะได้กลับเหมือนเดิมการบรรยายก็จะกลับเหมือนเดิมจนกว่าทางการหรือทางสาสนาศูนย์นี้ก็จะประกาศว่า เช้อไรัสนี้เนมันหมดไปแล้วในโลกนี้หรือมันระบาดน้อยลงมากถึงจะกลับสู่สภาวะเดิมอินช า, الله, อ, าอัลลอฮอย่างใกล้นะครับที่สุดสลามะัอเราก็ยังอยากที่จะให้การบรรยายนั้นบางต้องนั่งตามจุดที่เขากำหนดนะครับ ตามก็มีมาร์กเขมีต้องต้องวความร่วมมือนะครับ <c oughs> อยากให้บรรยายอยู่ที่มุสละิมเพราะจำ ไ, ได้ไหมตอนเริ่มระบาดนี่เราก็ไม่ได้หยุดเรื่องเต็มซีนนะครับเราย้ายไปเป็นเป็นรายการสดให้พี่น้องได้ดูตามบ้าน บางคนก็อมยิ้มเหมือนดีใจอนะ่ะว่าไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมามาฟังบรรยายก็ดูที่บ้านสบายๆแต่ที่หลังนี่ก็พี่น้องก็ได้เห็นคุณค่าของการฟังบรรยายที่มัสยิดซึ่งเรื่องนี้มันมันทดแทนมีอะไรมาทดแทนไม่ได้หรอกการฟังบรรยายที่มัสยิดเนี่ยนะมีความประเสริฐตามหลักการศาสนาที่ ที่เราต้องเราเราต้องทุบทวนอยู่ตลอดเหมือนทุกเรื่องนะครับที่เรารับความรู้จากทีวีจากไลฟ์สดเนี่ยซึ่งรูปแบบเทคโนโลยีใหม่นี่มันใช่อำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความาสะดวกในหลายมิติของชีวิตของเราแต่มันก็ทำให้ กิจวัตกิจวั ด, ว ด, ด้านศาสนาที่มันมีความประเสริฐแล้วก็มีความสำคัญนี่มันก็หายไปจากชีวิตของเราเรา่มมีไลฟส์สดเยอะการบรรยายก็อันนี้ก่อนเรื่องระบาดนะพอเรา่มมีไลฟส์สดมีถ่ายทอดสดนี่ก็การฟังบรรยายที่มสัสธิดนี่ก็เริ่มลดลงทั ง, งทั้งที่คนที่ ตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเสพความรู้ไม่ได้มีเป้าประสงค์ในเรื่องเนื้อหาความรู้ที่เราอยากจะได้จากครูบาอาจารย์เมื่อเขาไลฟ์สดหรือเขาถ่ายทอดสดนี่เราก็สามารถเสพความรู้ผ่านจอ มือถือของเราหรือจอทีวีของเราแต่เรื่องมันมีมันมีมากกว่านั้นมันลึกกว่านั้นนั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ที่มันตรงไปตรงมารวมถึงความประเสริฐที่มีในการรับความรู้ตรงไปตรงมาระหว่างครูบาอาจารย์แล้วกัลูกศิษย์ลูกหารวมถึงการปรากฏตัวที่มัสยิดนั่นเอง สำหรับมาลาย์กาเขาไม่ไม่คำหนึ่งนถึงโซเชียลดิสซ n นซิ่งนะงนะใช่ไหมท่านดบิสาลลอห์อะเวิสัลลัมบอกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มาล้อมตัวอยู่กันที่มัสยิดเพื่อเรียนรู้กุรานมาลลยกาก็จะมาล้อมเรานี่อาจจะมาล้อมแบบรูปแบบใหม่นิวโนโมนะด้วยดวยเหตุจำเป็นแต่มาลลยกาคงค ง, งไม่ ซึ่งเป็นความประเสริฐที่เราต้องคำนึงเสมอหลายอย่างหลายอย่างเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ผ่านจอทีวีผ่านไลฟ์สดไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นลูกศิษย์อ๋อผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนี้ยังไงอ่ะผมเรียนกับเขามาโดยตลอดผ่านไลฟ์แต่นี่มันมีเยอะนะแต่วันนี้แต่นี่ต้อต้องพูดให้ให้เข้าใจ มันจะได้โบเดวอนาคตนี่มันจะมีโอ้ต่างคนต่างก่อนโนก็มีแตกอโนมีโผมนี่เป็นลูกศิษย์อัลบานีคือฟังเทปคือเป็นลูกศิษย์ระดับหนึ่งลูกศิษย์เชียงบินบาสอย่างเงี้ยเออฟังเทปเพรเชีบินบาสอัลบานีเนี่ยรุ่นเทปนะเาก็ไม่มีต่กอนโน้ยังไม่ไม่ทันเรื่องไลฟ์เรื่องแต่สดไม่มีหรอก อันนี้ก็จะก็จะมีข้ออ้างตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับพี่น้องต้องเข้าใจจะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องเรียนกับครูบาอาจารย์สดสดสดสดนี่หมายถึงว่าเรียนเรียนกับเขาตัวต่อตัวตัวต่อตั ว, ตวถึงจะอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ได้นี่หลักการหลักการเรียกว่าตาลกี ข้อแตกต่างข้อแตกต่างท่านนบีสัลลัลลอฮุซายด์ละเป็น رسول พอรับกุรานจากจิบริลเราก็รับกุรานรับจากจิบรีลไหมไม่ได้รับคุรานเราจึงไม่ได้เป็น ر س ู ل ง่ายง่าย Allah จึงบอกในคว่าอินเนกะละตุลกุรานมิลลัดุน حكيم عليم จ้า รับคุรานจากอัลล์ سبحانه แะ تعالى โดยผ่านยิบริลท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซลาลิลลาบันดนบีรัสูลเนี่ยได้มีรูปแบบตลอดทีนการรับวาหิยุโดยตรงจากอัลลอฮ์ผ่านญิบริลจึงเป็นนบีรสูลคนเราทุกคนเนี่ยเราก็มีกุราน คนที่ปฏิบัติตามนบีรัสูลูก็มีตามคําบีเนี่ยก็รับคําบีของเขาเขาก็อ่านคําบีแต่เขาไม่ได้รับจากอัลลอฮ์จากดิบรีลจึงไม่ได้เป็นนบีรัสูลข้อแตกต่างชัดเจนและความประเสริฐในการที่จะอยู่ร่วมกับบรรดามาลาอิกะซึ่งบรรดามาลาอิกะที่ ถูกแต ina, hey, ing, YouTuber, ่งตั้งให้เป็นอะไรก็เวนแผ่นดินทุกพื้นที่เพื่อเยลตมิซูนะเช่นบันดึกที่มุสลิมที่ท่านเนี่ยเยลตมิซูนะแสวงหา مجلس ดิค์ مجلس ที่มีดิค์ดิค์นี้ก็คืความรู้แสวงหาพื้นที่ จุดต่างๆบนผืนแผ่นดินที่มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาความประเสริฐนี้มันจะไม่เกิดขึ้นได้ว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านเราฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านผ่านจอทีวีหรือผ่านมือถือของเราเนี่ยเราก็ได้ความรู้ก็ฟังความรู้แต่ความประเสริฐ ของการที่อยู่ร่วมกับมาลาอิกาเนี่ยมันไม่ใช่ทำไมละ่ะเพามาลาอิกานี่อัลลอ์ไม่ได้บอกท่านนบีไม่ได้บอกว่ามาลาอิกานี่จะตะเวนทั่วโลกดูไหมมีใครดูไลฟ์สดไหมมีใครดูทีวีช่องไว้แชนแนลที่กำลังสอนกุษานสอนวิชานี้สดไหมไม่มี แต่าเลกาจะมาดูมาจะอ่สุดจิกัแสดงว่ามาเลก้ามาที่ไหนมาตรงนี้นั่งตามจุดนะแล้วจะมาเป็นสกีพยานจดชื่อเมือันที่เราตอนขึ้นเนี่ยจดชื่อไหมมาเลก้าเนี่จดชื่อ แล้วก็ขึ้นไปทำงนน ح ح านอัลลอฮฺซุบฮิฮฺนบีซลอันเนี้ยเกิดที่ไหนเกิดที่มัจาลีุ่ดที่ไหนที่มสัสยิดโอกาสในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเราต้องมองข้ามประเด็นความรู้ที่เราเสพได้จาก ถ้อยคำวาจาของของผู้รู้ที่เขาพูดเพราะมันถูกถ่ายทอดสดผ่านเอ่อคนขึ้นทีวีขึ้นโทรศัพท์มันก็เป็นภาพเป็นเสียงแต่หารู้ไม่ว่ามีอีกหลายคลื่นที่ขึ้นทีวีขึ้นโทรศัพท์นี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้ คลื่นแห่งบาระฆะของอิ l m u ความสิริมงคลของความรู้จากครูบาอาจารย์ไม่ใช่ตัวครูบาอาจารย์นะตัวตัวครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นคนเลวอย่างผมเนี่ยไม่ไม่ใช่แต่ตัวบาระฆะที่อยู่ในความรู้มันถูกถ่ายทอดสดสดจากการสอนสด ระหว่างครูบาอาจารย์และกับลูกศิษย์ทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เพื่อให้พวกเราได้ตระหนักในเรื่องนี้หน้าที่ของผู้รู้เนี่ยที่จะต้องย้าในเรื่องหลักการศาสนาในวิกฤตที่มันมีความเสี่ยงว่าคนจะลืมหลักการศาสนา สังเกตมาช่วงที่เขาปิดมัสยิดเนี่ยผมก็ออกมาเยียวเยีวเยอะเหมือนกันอนะเพราะอะไรพราะเพราะเกรงเรื่องนี้เกรงเรื่องทงั้งทั้งที่ผมก็ไม่ใช่ว่าคนที่เคร่งคัดในเรื่องละหมาดที่มัสยิดแต่ผมต้องทําหน้าที่ตรงนี้ว่าพราะเกรงว่าคนเขาจะชินกับการละหมาดที่บ้านแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเออมันมันเริ่มจะมี ปัญหานี่หลปัญหาเงนี้แลหและม่ใช่รื่งละมหมาดอาวกดูนะไม่ละหมาดจุมาเนี่ยละหมาดจุมาบางพื้นที่นี่นะมัสยิดใกล้บ้านไม่ได้เปิดเปิดไกลนิดนึงก็ไม่ไปอ้างว่ามัสยิดใกล้บ้านก็ปิดยังไม่เปิดกูก็ยังละหมาดดูที่ีบานเห็นไหมมันสร้างความคือคนเราเนี่ยความขี้เกียดนี่มันเป็นมัน กำหนดลสันดานอยู่แล้วทุกๆคนนะมนุษย์ทุกคนนะเป็นผู้รู้เป็นเหมือนกันหมดแหละอาดดษของเขานี่ในการที่จะเคยชินกับความสุขสบายชอบความสุขสบายนี่มนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้อ้าวโรคระบาดมาภาวะอุย้ยกฤตทําให้เราเนี่ยต้องบินมื่อสิดไปมื่อสิดไม่ได้ตอนนั้นนะผมก็กลัวมากเลยถ้ า, าว่าเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ระมัดระวังและเราไม่สร้างกิจกรรมให้คนเนี่ยบ คํานะพยายามดูเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่าถือว่ามันเป็นเรื่องเออมาได้เปิดได้ดอ๋ก็ว่ากันเองสิไม่ใช่คือเราต้องเฝ้าระวังอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนป้อมที่ล้อมเมืองแล้วก็มี ม, มีมียามที่กําลังเฝ้าในป้อมต้องระวังอย่าประมาทอย่าให้ความเคยชินเนี่ยมันซึมซับไปอยู่ในนิสัยของเราเนี่ย จนกระทั่งหลักการศาสนาเนี่ยมันจะถูกลบล้างไปจากบริบทของชีวิตอันนี้เนี่ยที่ผมกลัวแล้วผมคิดว่ามันอันตรายมากนะครับต่อวิถีชีวิตเพราะเขาเริ่มผ่อนคลายเรื่องผ่อนปรนเรื่องกิจกรรมการประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ย นะเฟสที่สามนี่ทั้งทั้งที่ไปนั่งดูนะครับเฟสแรกอา้าไม่มีเปิดมัสยิดเฟสที่สองอ้ายังไม่มีมัสยิดเฟสที่สามมีเนี่ยมีร้านนวดมียังไม่มีมสัสมมมมยิไสดไม่ไม่รอ้อละไม่รอ้อคือคือจะต้องจะต้องให้เขระ บ, บุชัดเจนเหรอโบสถ์เปิดมัสยิดจะได้จะได้เปิดลรือไม่ก็อาศัย ประกาศทั่วๆัวไปและอาศัยพฤติกรรมของการบริหารของผู้นำในบ้านเมืองละหมาดอีดยังไงผ่านไหมผ่านนั่นแสดงว่าเขาเาคงไม่คงไม่กังแวแหละเชื้อในประเทศนี่มันแทบไม่มีแล้วส่วนมากนี่เชื้อมาจากไหนนำเข้ามันเป็นของนำเข้า แต่เชื้อในประเทศนี่ก็น่าจะหมดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงอ่นนะเพราะนี้น่าจะสองสองสามอาทิตย์แล้วไม่พบเชื้อในประเทศมกกักก็น่าจะเป็นเดือนนะเดือนละมดอนทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นเชื้อจากต่างประเทศอืมต่างประเทศเนีลงังเริ่มแย่แล้วเลยนะดูแล้วมันมันเริ่มที่เอเชียใช่ไหมเริ่มที่จีน เริ่มที่บ้านเราจําได้ไหมในอดีตเนี่ยไทยอยู่อันดับเท่าไหร่นะจำได้ไหมสองไม่น่ชื่อเลยนะออันดับสองเลยนะเราอยนี้เราเราเร า, เราไม่มีอันดับเลย <laughs> เราไม่ได้ติดอันดับอะไ ร, รั้งนั้นแล้วก็ถือเป็นเร่งดีเอเชียทั้งหมดนี่ก็หมดเลยสิงคโปร์ที่เดียวเราก็ไม่ต้องรอนะครับวันาุกร์จะต้องระบุ มัสอิดจะได้ ก, กลับเรามีความหวงแหนเรามีความตระหนักในความสำคัญของกิจวัตรในชีวิตของเราแม้กระทั่งเรื่องสลามเรื่องอะไรนี่นะ อ, อ้าวพอพอเราช่วยกันดูเฝ้าระวงังดูพอเริ่มมันเริ่มปลอดภัยแล้วนะสลามกันได้นะครับช่วงนี้นี่ผมเราผมระมัดระวงังตัวเองต้องขอมาพี่น้องทุกทุกคนทั่วประเทศด้วยนะ ที่เจอกันที่ไหนเนี่ยพราะตัวผมเนี่ยก็มีโรคประจําตัวเยอะเสี่ยงอโควนนิดีนรักผมมากกันนะแต่เจอแต่เจอผมแล้วก็ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามีใครที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็ ก, ก็แล้วแต่แต่ให้ให้ดูให้ดูกันเพราะบางทีเนี่ยอะอย่างลุงบัดอย่างเนี้ยแล้วเราเป็นคนหนุ่มอย่างเงี้ยอ๋อผมหนุ่มนี่ผมผมสลับลุงมัดได้ไม่ บังบัตเนี่ยอายุก็มากอูสูงอายุเนี่ยเราก็ต้องต้องเผื่อให้เขาด้วยเห็นไหมทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวผมจึงเรียกร้องมาสิตุกมาสิตนะครับทุกมาสิตเนี่ยพร้อมมาเปิดได้เลยไม่ต้องรอให้ตุลาประกาศออกประกาศชัดเจนให้ขอบวหรือร อ, อะไรเนี่ยศูนย์โควิดเนี่ย ระบุชื่อสุราชัดเจนเปิดสวนไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องรอขนาดนั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติตามมาตรการนิวโน r ม a ลของเขาเพอเห็นดูแล้วนะมาสิระของเราเนี่ยคงจะไม่มีคนหนาแน่นเหมือนในห้างบางห้างที่ขายเหล้า ว, วันแรกนี้แล้วก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมจำได้ไหมพอเปิดขายเหล้าแล้วก็ คนโอ้โหนี่ชุมนุมกันยังกับมาสิทธนี่ก็คงไ ม, ม่ไม่เยอะหรอกขนาะดนะนะนั้นน่ะมาสิิ์มาสิิ์ในบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยนับประชากรนะ่นะประชากรจิ้งจุกมากกว่าคนนะ่ะจริงนะคนนี่มาแล้วหมาดี่น้อยกว่าจิงจกุกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเศร้ามากเลยอะเราก็อยับ ลอยให้โรคระบาดนี้ทำให้ความขี้เกียจที่มันมีอยู่แล้วนะมันยิ่งมีความขี้เกียจเพิ่มไปอีกจนกระทั่งสังคมของเราเนี่ยจะชินกับการปิดมสัสยิดไอ้ต่กอนนู้นพี่น้องจำได้ไหมใครไปไปจะไปละหมาดดูฮรีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเจอมสัสยิดปิดโอ้โหนี่รู้สึกไม่ดีเลยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้พี่น้องยังไงอะ อ่นไปเนอะเฉยเลยใช่ไหมแหมะเนี่ยมันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงมันเ่ออันตรายมากเราผ่านเดินไปเดินมาเนี่เดินทางไปแล้วก็เจอเสลิดปิดแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ไม่กระทบอ่ะมันธรรมดาอันตรายมากผู้นำชุมชนพื้นที่ที่ไหนคณะกรรมการเมลิดที่ไหนนี่สามารถเปิดเมลิดได้ ขอความร่วมมือจากสบุรุตคนที่หวงแหนคนที่อยากจะละหมาดมันมีเยอะนะครัขรบข อ, อ, อ, อ, อความร่วมมือจากเขาจัดระบบเรื่องนิวโม่นิวโนโม่เนี่ยเรื่องการล้างเรื่องห้องน้ําปิดซะเรื่องอาบนละหมาดนี่อาบนละหมาดจากบ้านซะขอความร่วมมือให้คนดูแลเรื่อนําสจรด้าจากมาจากบ้านนี่มาเสจรด้าส่วนตัวใส่แมสกันอะไรกันเพ่อแมย่ยืนละหมาดยืนห่างกันอย่าอย่ยาใกล้ชิดกัน หงกันนี้ก็ไม่ใช่ว่านิวโนโมนนี่เไอเรื่องเมตรเนี่ยก็หมายถึงว่ามันแค่มาตรฐานมันแค่มาตรฐานแต่้วบางทีนี่นะคนเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคะะระบบหายใจเขาเนี่ยมีความแพ้แพ้เรื้อรังยังไงอะ่ะตายบ่อย คนแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เมสองเมตรนะนะควรใช่ไหควรที่จะอยู่หลายเมตรด้วยซ้ามันไม่ใช่ตายตัวนะแล้วแล้วมันไม่ใช่ว่ามายืนเมตรอีกห้าเซนติเมตรนะขยับมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายรวมว่าให้เราได้เผื่อเผื่อให้ตัวเราและก็คนอื่นในเรื่องความระมัดระวังทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อให้กิจกรรมด้านศาสนาเนี่ยกลับมาสู่สังคมของเราอย่างเร็วที่สุดนี่ผมก็ยังยังอยากจะพูดเรื่องการดูแลประคับประคองสมาชิกครอบครัวในบ้านนะในการประกอบศาน ก, กิจที่บ้านนะดูแลสมาชิกครอบครัวละมาจะมาที่บ้านนะพอเรารู้กันนะวอะตอนที่มัสยิดเปิดอยู่แล้วอะนะ ส่วนมากครอบครัวส่วนมากก็ก็จะไม่่อยเคร่งครัดในในเรื่องการดูแลสมาชิกครอบครัวเนี่ยให้ประกอบศาสนาเกีย่ยงเคร่งครัดตรงเวลาหมายถึงว่าใครสะดวกเมื่อไรอยู่โรงเรียนนะักละหมาดที่โรงเรียนกลับมาที่บ้านใครใครละหมาดดูใครตัวมันส่วนมากนะมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ที่ผมพูดนี้เพราะเพราะอะไรเพราะก็ ก็รับรั บ, ร, บรับคปรารบคาถามเยอะนะครั บ, บความเป็นห่วงมัสยิดปิดแล้วกว่าจะเปิดกว่าจะมีกิจกรรมในมัสยิดเหมือนเดิมมาน ะ, ะในบ้านเนี่ยผู้นำครอบครัวเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดว่าเป็นมัสอูลียเป็นความรับผิดชอบ เจ้ ح ح าลูกพระนอต่าลราจะสอบสวนเรื่องละหมาดจะมาเรื่องประกอบศาสนกิจเรื่องเรื่องปลุกฝังว่าเออเรื่องนี้มันเรื่องชั่วคราวนะมันไม่ใช่เอออยู่อย่างนี้สบายสบายตลอดนะมาศีดนี่ก็คงอาชาตินี้คงไม่ได้เจ อ, อ ก, กันแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ นี้ก็ฝากไว้นะครับพูดพูดนานไปแล้วนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้แต่ก็ด้วยความดีใจแล้วก็ความปรารถนาดีต่อพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ตอนแรกนี่ควรจะมาคนสองคนแต่นี้ก็มามาม า, มาเยอะนะครับยุ่มากเลยอะกล้องอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะครับ แต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนละหมัดอีนั่นนะครับเยอะนะไม่ถึงสิบคนนะอะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้จดจําไว้จดจําไว้ที่ท่านนาบีสุลต่านได้บอกอัลมัส jid ูบ้านูคุลิตาคิยินมัสยิดนั้นเป็นบ้านแท้ทของ คนที่มีตะกัาทุกคนนั่นหมายรวมหมดแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามะนะมันไม่มีความสุขเท่ากับอยู่ที่มสัสยิด<ม>ก็เหมือนเราเหมือนคนทั่ ว, ท, ว, ท, ว, ท, วทั่วไปอ่ะนะจะไปที่ไหนก็ตามจะไปโรงแรมห้าดาวอย่างที่เข้าห้องน้ำโรงแรมห้าดาวที่ทาารยวนั่นก็ถ่ายถ่ายไม่ออกไม่เท่ากับอยู่ที่บ้านเข้าห้องน้าที่บ้านใช่ไหม ในบีก็เลยบกคนี้บ้านแท้ในบางคนว่าฉันแตฉันยังสบายใจที่บ้านฉันนี่นอนหลับที่บ้านฉันเนี่ยจะไปนอนที่ไหนขอให้โรงแรมห้าดาวก็นไม่้อันนี้ผมเป็นอย่างนั้นจริงนะได้มีโอกาสไปนอนโรงแรมห้าดาวหกดา ว, ดาวโอ้ที่นอนยังรู้แต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับบ้านแท้ของเราเนี่ยก็คือมาสิทแล้วเข้าแล้วก็รู้สึกสบายใจ เขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเขาแล้วรู้สึกอิ่มบุญมีบุญมีมีความอึบอิม่มอันนี้เราอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นอันขาดและดีใจด้วยนะครับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังต่ออายุพวกเราให้มีอายุทุกวันนี้มาเรียนรู้ต a f s i ในสุรัตน์อัลอัฟาลเป็นสุร่าใหม่หลังจากที่ได้เรียนรู ان ان و و و و ي ي ้ต a f s i รอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฟาติฮะมะกรอ์อัลอิมรานนิซาไมดะอันงามอาราฟซึ่งเป็นสุรยายาวๆทั้งสิ้นสุร่ายาวๆเนี่ยที่ที่เคยบอกกับพี่น้องว่า สไลม์นี่คืเรก่ออัตติวัลขอจอใจใช้ยาวตั้งแต่ฟิดให้ยันอาราฟเนี่ยอัตติวัลติวาลนี่พระหูพุทธของคาว่าตัวีลตัวีลแปลว่ายาวตาวัววลแปลว่ายาวติวาลยาวยาว <laughs> สุรายาวยาวเทําไหรยาวยาวอ่ะ ก็คือหนึ่งร้อยอายะขึ้นหนึ่งร้อยอายะขึ้นอารอบนี่ส200องรอยอนนซานี่สองร้อยกว่าได้แบบเนี้ยแต่พอเริ่มมาเริ่มอัลฟาเริ่มเริ่มลดละเจ็ดสิบห้าเจ็สิบหกอยะละเริ่มละจะเป็นจะเป็นสุระไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สุระหนึ่งร้อยขึ้นนะมันก็จะอยู่น้อยกว่าหรือร้อยนิดห น, นึ่งจึงหลังจากเนี้ยก็จะได้กกันอัลมีอิน สุักเอารักษ์สารัก็จะแบ่งกันอย่างเนี้ยตีวลนี่ก็คือสุร้อยยาวๆก็คือร้อยอับถึงสองร้อยอืมบักราออารอบอย่างเนี่ยสองร้อยกว่า<ม>ตยวาลี้ยตีวรสุรยยาวๆพอถึงอารอบกนะ็จะจบไปแล้วนะแล้วก็จะเริ่มเอลมีอินก็อยู่อยู่ในหลักร้อยร้อยเดียวนะมันไม่เชิงสั้นนะสั้นนี่ก็นู่นตั้งแต่อดัดโดฮา อัลดดฮานี ni. Ni, ah ่ก็คือค ah ah, ิซารุสวร์เนี่ยสุราสันมากันอยู่อัลดดฮาลงไปเนี่ยเนี่ยคือสุราที่สั้นที่สุดในอัลกุรอานเราจะเริ่มด้วูสุราอัลอัมฟัลซึ่งเป็นสุราหนึ่งที่มีจำนวนอายะก็เยอะเหมือนกันหลักสิบดีใจว่ามีความต่อเนื่อง ทีอัลลอฮฺสุบฮานาวะดารและโปรดประธานทั้งอายุสุขภาพความตั้งใจกับพวกเราทุกคนที่จะเรียนรู้อัลกุรอานกันนี่นี ถ, ถ้าวันนี้แล้วนี่ก็ก็เกือบจะเกือบเกือบจะ20ปีนะครับที่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นอธิบายความหมายอัลกุรอานก็ขออัลลอฮฺสุบฮานาวะดารให้ผมแักพี่น้องทุกท่านนะครับได้มีความตั้งใจในการเรียนรู้ อัลกุรอานไม่จาเป็นกับผมก็ได้นะครับแต่ให้การเรียนรู้อัลกุรอาเนเป็นนิจสินเป็นเรื่องประจำที่เราจดจำไว้เป็นกิจวัตรที่เราต้องทำอยู่ตลอดสุนตอัลอัมแฟลก็เป็นสูราหนึ่งที่มันมีรสชาติต่างจากสูรา อื่นๆโดยเฉพาะยุสุร์อารอฟซึ่งส่วนมากเป็นเป็นสุรมาเ ก, กียอายะส่วนมากของอารอฟในเวนมาเ ก, กียพูดถึงเรื่องเร้นลับแม้ว่าจะเป็นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกหรือเรื่องประชาชาติยุค ก, ก่อนเร้นลับทั้งสิน้นอารอฟจะเน้นเรื่อง สิ่งที่เรามองไม่เห็นให้เป็นบทเรียนกับชีวิตของเราแต่แอลอนแฟนเนี่ยไม่แอลอนแฟนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เชิงรูปธรรมหรือนามารมในโลกนี้การต่อสู้ระหว่างความเท็จกับความจริงหลักการของการต่อสู้เนี่ย ชัยชนะเนี่ยจะเกิดขึ้นยังไงการบริหารการต่อสู้การบริหารการต่อสู้การทำสงครามและนี่คืออัตลักษณ์ของอิสลามนักบุรพาคดีก็คือชาวตะวันตกที่เขาศึกษาเรื่องราวของอิสลามนี่เขาจะถูกเรียกว่านักบุรพาคดีพอเขา แทนที่จะสนใจเรื่องตะวันตกนี้ใหม่เขาสนใจเรื่องบุรพาเรื่องเรื่องอิสลามเรื่องตะวันออกเขาก็เลยมาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามเยอะนักบุรพาคาดีหลายคนเนี่เขาบอกว่าอ ah ิสลามดีนุอัครากีศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งจริยธรรมคือทุกมุมทุกมิติเนี่ยมีเรื่องจริยธรรมแฝงอยู่ ไม่แปลกนะท่านนาบีพูดว่าอย่างนั้นหะดีสบันทึกด้วยมมาลิกอินนมาบุุทธ์ุลิอุทำ ม, มิมาิ ا ัลอั أ ลาคแถ้จริงฉันถูกส่งมาจะได้ฟื้นฟูมารยาทอะไรที่มีจะได้ยืนยันอะไรที่มันขาดจะได้ทำให้ครบให้มารยาทนี้มันครบมันดีมันดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งมันจะมีมาตรการที่ท่านนาบีได้สั่งการว้อเป็นตัวบทเลยเกี่ยวกับเรื่องมรารยาทแล้วก็มีเรื่องที่มันเป็นมาตรฐานที่ท่านนาบีมอบให้เราเนี่ยได้พัฒนามรารยาทให้มันดีขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ของแต่ละยุคด้วยเดีเรื่องนี้เราจะมาพูดทีหลังแต่เรื่องที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องมรารยาทอิสลามบอกว่า ต้องมีมารยาทเรื่องสงครามสงครามาอะเพราะเอ่ยคาว่าสงครามเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงอาวุธเลือดความพินาศความเสียหายแต่อิสลามไม่ไม่อนุญาต มุสลิมเนี่ยคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยว่ให้ให้มองเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยในอิสลามทั้งหมดเนี่ยไม่มีนะครับอิสลามเนี่ยที่จะเรียกร้องสู่การพินาศหรือความเสียหายแม้กระทั่งสงครามสงครามเนี่ยทำเพราะมีความจำเป็นเพราะมีเหตุผลเพราะไม่ได้เป็นเป้าหมายของอิสลามการฆ่าชีวิต อการยึดแผ่นดินยึดทรัพยากรยึดทรัพย์สินเนี่ยนี่ไม่ใช่เป้าหมายเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องรองมันเป็นเรื่องมาที่หลังเป้าหมายของการทําสงครามเนี่ยเพื่อให้สัจธรรมนั้นได้ประจักษ์ยังไงอะด้วยการมีสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่แค่นั้น ทำสงคารามมันจะได้ไม่มีใครมาคมเหงใครไม่มีใครมาริดรอนใครไม่มีใครมายึดสิทธิของของใครโดยเฉพาะในเรื่องนับถือศาสนานอิสลามเนี่ยยอมที่จะต่อสู้ยอมที่ทําสงคารามเพื่อให้มนุษยชาติทุกคนนี่นะมีสิทธิ์เลือกศา ส, สนาไม่ใช่ไม่ใช่บังคับว่าให้เข้ามารับอิสลามเนี่ยไม่ใช่ แม่งั้นสงครามทุกสงครามอ่ะที่สังเกตและมันพิสูจน์ได้ว่าที่มุสลิมทําสงครามทุกสงครามอ่ะไปบังคับชาวบ้านไหมพอเข้าแล้วนี่บังคับชาวบ้านต้องรับอิสลามหมดไม่มีใครรับดกุกประหารชีวิตหมดมันพิสูจน์ได้ไงประวัติศาสตร์นี่โดยเฉพาะศัตรูอิสลามอ่นที่เคยมีปัญหากับอิสลามนี่เขาสามารถใส่ร้า ย, ายมุสลิมได้แต่มันไม่มี ไม่มีเหตุการณ์ให้เห็นนะว่าโปรมุสลิมเขาไปพิชิตเมืองต่างๆ น, น, นี่เขาบังคับว่าต้องรับอิสลามทาไมรับอิสลามนี่สังหารไม่ที่ได้ทำสงครามเนี่ยเพื่อให้เกิดสิทธิเสรีภาพแกมนุษย์ทุกคนในการที่จะเลือกมีสิทธิเลือกศา ส, สนาที่ตนเองอยากจะนับถือซึ่งคุณค่าของสิทธิเสรีภาพนี่ถือว่า สูงมากนะครับสำหรับมนุษย์มนุษย์คนคนเราเนี่ยขอให้รวยแค่ไหนขอให้มีเครื่องมืออุปกรณ์มีอะไรแค่ไหนถ้าถ้าถ้าขาดสิทธิเสรีภาพอะยังอื่นแทบไม่มีค่าเลย อ, อเมริกานี่ได้ฉายาว่าเป็นแผ่นดิน การฝ่ฝันแผ่นแผ่นดินฝันฝันดีมีทุกเรื่องทุกเรื่องที่อยากได้แต่พอเห็นคนคนผิวผิวสีนี่ผิวที่ไม่ใช่ผิวขาวอ่ะนะตำรวจนี่แค่จะจับกลุมนี่ก็ ถึงขั้นเดอเหยียดหยามแล้วก็ต้องต้องกระทะํเอะเหยียดหยามถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเราก็มีคุณค่าอะไรอ่ะคุณอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรได้สูงที่สุดในโลกคนมีรถยนต์คนคุณมีความสําราญมีความบันเทิงอยากจะเลือกทำอะไรที่มันก็ทำได้แต่เวลาเกิดปัญหานิดนึงกับเจ้าหน้าที่น ะ, ะชีวิตของคนเนี่ยหาไม่ มันมีคุณค่าอะไรไม่มีชีวิตมมนมีค่าอะไรไม่มีค่าเลยสิที่สรีภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการที่จะนับถือศาสนาเชื่อจะเชื่ออะไรเรื่องชั้นเรื่องมนุษย์บันับคนไม่ได้ดังน้า j ในอิสลามในการต่อสู้ในอิสลามถูกบัญญัติเพื่ออะไร เพื่อปกป้องสิทธิของมุสลิมและของคนอื่นในการที่จะนับถือศาสนาใดานเพราะในยุคนั้นนะ่ะยุคนั้นนะ่ะสังคมโลกนี่นไม่ใช่ประชาชนน่ะมนุษย์น่ะในโลกนี้น่ะไม่มีสิทธิน่ะนับถือศาสนาได้ไม่มีสิทธินะ่ะนับถือนับถือตามกษัตริย์ตามผู้นำบางทีตามผู้นำศาสนาด้วย ผูน้นำศาสนานี่มีอำนาจที่บังคับคนมเหงชาวบ้านนับถือศาสนาน้นนับถือศาสนานี้ท่านนบีและสหภาพท่านไนต่อสู้ทั้งชีวิตนะเพื่อให้ทุกคนนี่มีสิทธิ์ระสงค่จะศรัทธาก็ะเชิญใครประสงค์จะปฏิสธิศรัทธา ก็เชิญและอิกราฮ์ฟิดดีนนี่อายาเหล่านี้ทั้งหมดนี่อยู่ในคุรานไม่มีใครบอกว่าเป็นอายาที่ถูกยกเลิกเอกฉันเลยนะบุรุษมาเอกฉันเลยนะว่าอายาที่ไม่ได้ถูกยกเลิกสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนานสิทธิแม้กระทั่งเรื่องคนนี่รับอิสลามแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนศาสนา ล้ก็มีหะดีสที่ท่านนาบีก็ใครที่เปลี่ยนศาสนานี่ก็ให้ประหารชีวิตเนี่ยทัศนธาที่ถูกต้องนี่ว่าไม่ใช่หมายรวมว่ามุสลิมถ้าออกจากศาสนาหนิต้องประหารชีวิตนี่ไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจว่าฮะดีสของท่านนาบีท่านนบีกล่าวตอนไหนอ่ท่านนบีกล่าวตอนที่ยุคนั้นน่ะมีสองข่ายท่านนาบีจะผยแพร่อิสลามเนี่ยเขาไม่เผยแพร่นบีต้อง อ, อพยพไป พอประยุติไปอะนะค่ายของนบีเนี่ยคือค่ายคนที่เขาเลือกอยากจะนับถือศาสนาอิสลามและอีกค่ายหนึ่งคือค่ายที่ไม่เอาอิสลามค่ายที่ไม่เอาอิสลามและระหว่างสองค่ายนี่นบีบอกว่าเอา้าค่ายใครค่า ย, ายมั น, นะตัวใครตัวมันนี่ไม่ต้องมายุ่งค่ายของกูได้ส่วนกูมไม่ก็บุกรุกไปถึงมาดินาเนี่ทําสงครามกับท่นนบี เพื่อบังคับให้คนที่รับอิสลามออกจากศาสนาอิสลามแม้กระทั่งคนที่รับอิสลามในเมืองม ก, กาห์นี่นะก็จะบังคับก็จะถูกข่มเหงถูกทรมานจะได้ทิ้งอิสลามมันก็ได้มีสองข่ายพอเห็นภาพนะฉะนั้นท่นานนบีว่าใครที่พอรับอิสลามแล้วต่อกรนู้นนะ่ะนะรับอิสลามสมัยท่านนาบีเนี่ยพอรับอิสลามแล้วแล้วก็ไม่ชอบ ไม่ชอบยังไงออะ ม, มันเคร่งคัดเกินไปมันอะไรไปทํำยังไงอ่ะก็ไปหนีไปอยู่กับข่าคือเปลี่ยนศาสนาแล้วก็ไปอยู่กับข่าศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ที่มุง่งที่จะทําสงครามกับมุสลิมท่านมิ้งก็บอกคนที่เปลี่ยนศาสนานี่ก็คือคนที่จะมาเป็นศัตรู แต่ในอิสลามนี่มีให้เห็นนะครับว่าอิสลามได้มองว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถอยู่กับมุสลิมได้เหมือนที่ท่านนาบีอยู่กับยูหรือเหมือนที่กุรานบอกว่าถ้าอิสลามได้ปกครองแผ่นดินที่ไหนแล้วก็สามารถอยู่กับาศาสนาอื่นได้ในแผ่นดินนี้โดยที่ไม่ต้องสูสองคำได้อยู่ได้ใจภาษีเหมือนเหมือนมุสลิมใจสการนี่นะมุสลิมใจสการคนนี้ไม่ใช่มุสลิมก็จ่ายภาษีอีกอย่างหนึ่ง ดีเสียแต่ทั้งทั้งสองต้องจ่ายนะแลวมุสลิมจะจ่ายสกาศเปอร์เซ็น์สกาศนี่มากกว่าเปอร์เซ็นของภาษีของต่างศาสนิกมีมรายละเอียดอะไรบางอย่างอะ น, นะเอ้ยทำไมทาไมต่างศาสนกต้องจ่ายภาษีเนียเหมือนกันแหละ มุสลิมเขจ่ายภาษีอ่ะคือเขาบอกว่าคนคนทั้งหมดในอยู่ร่วมก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนี่เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนรัฐบาลสากลแบบเนี้ทุกคนต้องจ่ายภาษีไหมทุกคนก็ต้องจ่ายภาษีแต่มุสลิมเขาจะจ่ายภาษีที่รด้กว่าสกาดมากกว่าคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วคนนี้ไม่ใช่มุสลิมมานะจ่ายภาษีเหมือนกันน้อยกว่ามุสลิมเหมือนกันแหละอยู่ร่วมกันนั่อยู่ร่วมกันอ่ะแล้วทำไมศาสนาไม่บังคับบต้องรับอิสลามไม่มีบังคับไง แต่ตอนนั้นนะ่ะคนที่เขาคนนี้เขาจะออกจากกิสลามมานะเขาจะไปเลือกอยู่ฝ่ายฝ่ายศัตรูเลยที่ทําสงครามน บ, บีก็เลยพูดไฮดนสนี้ขึ้นมาก็เลยมีทัศน์ที่บอกว่าเอาแต่มุสลิมเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาไปประหารชีวิตแต่จริงเนี่ยไม่ใช่ถ้าสมมติว่ามุสลิมคนหนึ่งอ่ะไม่เอาแล้วฉันไม่เป็นมุสลิมแล้วแต่เขาก็อยู่ในสังคมไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นอะไร เ, เขาไม่ต้องประหารชีวิตในทัศน์ที่ถูกต้อง ันกับะดีไม่ขันะดีสฮดีพูดถึงเรื่องมุสลิมที่ปลีกตัวออกจากสังคมมุสลิมอะไหมนับถือแล้วก็มาเป็นศัตรูมาเป็นปฏิปักษ์กับมุสลิมเป็นศัตรูไม่หวังดีกับมุสลิมนั้นน่ะก็เหมือนศัตรูทั่วไปแหละคนไทยด้วยกัน ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นศัตรูไหมฮะไม่เป็นศัตรูไม่เห็นด้วยกับรัฐไม่เห็นกับลงตู่ไม่เห็นกับทักษไม่เห็นด้วยกับทักษิณกลายเป็นกลายเป็นคนทะเลชาติไหมเป็นคนไข่ชาติไหมกับทุกวันนี้เนี่ย ที่เราทําให้คนไทยเนี่ยมองหน้าไม่ติดกันเนี่ยก็พเพราะนี่เพราะขัดกันอะไรนิดหนึ่งเรื่องการเมืองอะนะขายชาติคือไม่เห็นด้วยกันเรื่องนี้ขายชาติแต่กอ น, นู้นน่ะกู้สองล้านล้านเนี่ยขายชาตินี่นกัจะกู้กันเนี่ยคืออะไรนิดหนึ่งก็กลายเป็นกลายเป็นไม่ใช่คนไทยแล้วไม่ใช่อ่ะ ไม่เห็นด้วยกันแนละ้วก็ยังเป็นคนไทยนี่มุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยออกจากสนามไม่เอาอิสลามแล้เขายัางเขายัางไม่ได้เป็นศัตรูแต่ถ้าคนไทยอ่ะฮะร่วมกับศัตรูของประเทศทําลายประเทศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าทรายศไหมเนี่ยทรยศมันต่างกันตรงนี้เหมือนกันเลยอะ่ะ และสงครามการทำสงครามในอิสลามเนี่ยมีจริยธรรมบัญญัติให้มีจิฮาดให้มีสงครามเพราะมีจริยธรรมจริยธรรมปัจฉาของจิฮาดนี่คืออะไรเรียกร้องให้เกิดสิทธิเสรีภาพพ้นพอเห็นภาพแล้ววะเนาะ มันพิสูจน์ได้นบีและซาร์บ้าเขาไม่ได้ทําสงครามก็ไม่ได้ jihad กันพเพื่อบังคับให้คนอื่นรับอิสลามมันเห็นมันพิสูจน์ได้ในปราสัติในพิสูจน์ได้ทุกสงครามเลยนบีไม่ได้ทําสงครามแล้วก็ไปบังคับชาวบ้านยอมรับอิสลามเอา้าแล้วก็ทําไมอ่ะแล้วทุกคนจะมี jihad ทำไมไอ่ะอี่ละาร์บ้าวิชิตเมืองต่างๆนี่ทําไมไม่บังคับเขารับอิสลามล่ะแล้วประเทศต่างๆอะไรจำได้ที่เคยทําสงครามแล้วก็บังคับอ่ะ อ, อย่างอินเดียอย่างจีนอย่างเปอร์เซีย น, นี่เขาเคยทำสงครามแล้วก็พิชิตอย่างเปอร์เซียนี่เปิดไปพิชิตพิชิตเมืองเยอะมากแล้วคมเห็นชาวบ้านและสุดท้ายอรารยธรรมเปอร์เซียนี่เหลือไหมเหลือไหมไปเคยไปพิชิตไปถึงตุรกีนะเปอร์เซียชาวตุรกีพูดภาษาเปอร์เซียไหมเปล่า แต่อิสลามอ่ะนะพอวิชิตนะนะสิทธิเสรีภาพทุกคนตามสบายเหมือนเดิมครับทุกท่านเน่ยเหมือนเดิมครับเรามาอำนวยความสะดวกให้พวกท่านห้าสิบปีห้สิบคนเขารักอิสลามเพราะเพราะไม่ได้ขมเหงชาวบ้านห้าสิบปีนะครับคนเขาเรียนภาษาหรับกันเองนับถือศาสนาอิสลามเข้าศาสนาอิสลามเพราะเขาเห็นไงเขาเห็นอะไรเขาเห็นจริยธรรมของสงคราม อ๋อพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนพวกโร ม, มันพวกเปอร์เซียตะก่อนนุมโอ้ยมานี่เอาผู้หญิงไปคมคมขืนเอาทรัพย์สินชอบอะไรก็เอาไปยืดไปมุสลิมไม่ใช่นี่เขามีระเบียบเขามีวินัยเขามีมารยาทเขามีจริยธรรมซึมซับไงและการศาสนาอิสลามนี่มันก็เลยถูกเผยแพร่โดยบริยายโดยประาทว่ามไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลย าห บ, บ้านี่พวกเขาแล้วก็เขาปกครองนะแล้วก็กสั่งมั ส, สยิดแล้วก็รละหมาดของเขาแล้วก็สอนของเขาคนก็ก็ขอมาฟังขอมาอ่านขอมาดูขอมาอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยอิมามบุคฮรีปู่ของเขาเนี่ยรับอิสลามคุณปู่ของเขาเนี่ยรับอิสลามตแต่สมัยสบาบ้านที่ไปพิพิชิตเมืองบุคฮอรอ ที่ชิดเมืองบุคหรอนี่ในปีประมาณปีห้าสิบปีหกสิบฮิจรัศกราไนะอหมามบุคอรีนี่ก็ประมาณเริ่มที่จะมีผลงานเนี่ยปีประมาณร้อยห้าสิบวนะก็ประมาณหนึ่งร้อยปีนะเราเห็นผลของหลานของคนแรกที่รับอิสลามะนะที่เป็นมอและคือปู่ของเขาอนะ เห็นผลงานนะเน่เป็นปรเป็นปาฏาที่มาปกป้องอิสลามนะจะใครอะ่ะจะคนที่ดั้งเดิมไม่ชุมุสลิมนะและเป็นใครอะ่ะก็เป็นชาวบ้านของเมืองที่ถูกวิชิตจากซาบะและที่หลังนี่คนที่มาสอนภาษาอับมาเขียนหนังสือภาษาอับ เขียนกุรอ่านเขียนฮะดีสจะมาสอนสอนหนังสือนี่นะไม่ใช่อารับแล้วไม่ใช่ลูกหลานอารับเป็นใครอะ่ะก็เป็นลูกหลานชาวบ้านที่เขามาพิชิตถ้าหากว่าสอนว่าแล้วก็อารับที่ท่านนาบีสอนเขาเนี่ยเขาไปพิชิตเมืองต่างๆแล้วไปค่มเหงชาวบ้านนะะไม่ ม, ม, มีภาษาก็ไม่ชอบศา ส, สนาก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรเลยแต่นี่ ไม่ถึงร้อยปีนะครับคนนี้กลับมากกป้องศาสนามาสอนภาษานะไม่ใช่เจ้าของภาษาไม่ใช่เจ้าของศาสนาแล้วนะอันนี้มันเป็นตัววิสูจน์สำคัญที่ชาวโลกเขายังยังยั ง, ย, งยังเรียนเหตุผลเนี่ยมันเป็นไปได้ไงความซึมซับกับความทราบซึ้งเพราะการทำ j i h a ในอิสลามเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่มีเหตุผลด้านจริยธรรมเป็นตัวจิฮาดนี่มีศิลธรรมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำสงครามเนี่ยในยุคนั้นนะ่ะมันก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างที่อาจจะทำให้มีสิ่งที่ทำลายศิลธรรมดังกล่าวเช่น ก็เป็นประเพณีในในช่วงนั้นนะ่ะนะว่ากองทัพพิชิตเมืองไหนโอ้เอ็งจะทําอะไรทําเลยแม่ทัพจะทําอะไรก็ทําเลยทําหมดเลยทําได้หมดเป็นผู้รับชะช้ชนะทําได้หมดแตนะ่พออิสลามมาแล้วเนะี่ยไม่ใช่ไงมันเป็นสง่ามีระเบียบไงมีระเบียบเนะี่ยมีสิ่งที่อนุโลมมีสิ่งที่ไม่อนุโลม สิ่งที่ไม่อนุโลมกระึเค้นฆ่าโดยไม่มีเหตุผลเร่องยึดทรัพย์สินชาวบ้านโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ยึดที่ของเขาโดยไม่มีเหตุไม่ได้แต่สิ่งที่อนุโลมนี่ก็คือทรัพย์สินของนักรบเนี่ยทรัพย์สินของนักรบเนี่ยที่มาซู้กับเรานั่นน่ะเป็นทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลย ทรัพย์สินเฉลย อ, อันเนี้ถูกบัญญตัติอนุญาตให้มุสลิมได้เอาทรัพย์เฉลยเนี้ยแล้วก็มาแบ่งกันซึ่งมีเหตุผลมีเหตุผลนะคนคนคนจะมาฆ่าเราจะมาจะมาค่มเหงเราจะมาอะไรแเราทรัพย์สินของเขาเนี่เป็นทรัพย์เสลยมีเหตุผลทั้งนี้ ท่านนบีละซาราบ่าเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไม่ได้ทำสงครามเพื่อทัพย์เฉลยเขาไม่ได้ต่อสู้เพราะต้องการดุ尼亚ไม่ ง, งั้นนบีไม่ต้องออกจากมักกะธ์ทำไมอ่ะนบีเป็นคือนบีเป็นเจ้าชายอยู่แล้วอ่ะเป็นเป็นเป็นเป็นคนที่มีศักดินาเป็นคนที่มีตะกูลอยู่แล้วอ่ะทําไมนบีต้องมาลําบากล่ะ คือถ้า น, นาบีจะเอาดุนยานะอะไม่ต้องนบีก็อยู่ที่มะ ก, ก า, ากเนี่ยก็เป็นหัวหน้าเผาได้แต่ที่ท่านนาบีและสาบ้าทั้งหลายเนี่ยที่เขาต่อสู้กันนะเขาไม่ต้องการดุนยาแต่พอมันต่อสู้แล้วเนี่ยมันหนีไม่พน้นว่ามีเรื่องทรัพย์เลยต้องเกิดขึ้นเพราะเกิดมีทรัพย์สินเนี่ย และเกิดภาวะจะต้องมามาแบ่งทรัพย์สินเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนสุภาสิตอรับเนี่ยอัลฟุลูสตัวแปรุ่นฟุูสฟลูสนี่เงินที่จริงเนี่ยฟุลูสเนี่ยเลสเนี่ยก็คืออัตราธนบัตรที่มันน้อยที่สุดอย่างเช่นเหรียญบาทอย่างเงี้ย แต่เหรียนบาทเนี่ยไหนๆก็เรียกฟูลูสคือคือคือเงินตาที่มันอัตราที่มันน้อยที่สุดก็จะเรียกกันฟูลูสตยยัว غير เปลี่ย น, นนูฟูสเปลี่ยนน้ำสูเออจริงด้วยพ่อแม่พี่น้องดีกันรักกันเหลือเกินทำนาด้วยกั น, น, ก, นกินปลาด้วยกัน เขาขายที่แล้วอัลลอฮ์เปลก็เหมือนเดิมมาะตอก่อนนูเขาก็มีที่มีที่อยู่ร้อยไร่เขาก็ปลูกข้าวฮะเก็บปลาเก็บปุ้งแล้วก็มากินกินข้าวกับปลานี่แหละที่เขาทำเนี่ยทํานาแล้วก็อะแล้วก็ตกปลาแล้วก็มากินที่ใบที่มาคนไทยอยู่กับข้าวอยู่กับปลา เวลาเขาจะพูดถึงเรื่องบริโภคอาหารเนี่ยเขาก็ใช้คํานี้แหละกินอะไรนะไม่ใช่กินเค้กกินกินคอร์ดินอะไ ร, นะะ ร, รเนี่ยคอร์ดนเนี่ยกินข้าวกินป่าเพราะคนไทยอยู่กับข้าวอยู่กับป่าป่าธรรมดานะปะทูนี่ก็มาที่หลังนะปะทูนี่มาที่หลังเนะี่ยไม่ใช่ ก็ปูข้าวนี่แหละได้ข้าวมาแล้วก็ในคลองนี่ตกปลาสักตัวสองตัวซึ่งแต่ก่อนนู้นตกง่ายอะนะไม่ไมยากแล้กแป๊บหนึ่งก็ได้ละตัวสองตัวกินข้าวกินปลานั่นคืออาหารพื้นเมืองพื้นบ้านทุกคนเนี่ย ก, กินได้คนไทยทุกคนนะ ก, กินได้แต่ันนี้นดูเหมือนหายากกันนะ หากินข้าวกินปลาเนี่ยหายากกันก็เหมือนเดิมมาแล้วก็มีที่แต่กอนนก็มีที่เดี๋ยวนี้ก็มีที่แต่พอที่ขายแล้วไม่มีที่แล้วนะแต่มีอะไรมีฟลูสฟลูสมีสตังตัวใหญ่รุนฟูสมันก็เปลี่ยนนัฟสู มุสลิมตะก่อนูนนะ่ตะตกอนนูนนะ่ะหน่วยราชการเนี่ยไปไม่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลนนะ่ะโรงพยาบาลมุสลิมยังไม่ชอบไปเลยโรงพยาบาลนนะ่ะนันรักษาเนีรักษาแบบบ้านนะี่แหละรไม่ชอบไปรักษากับกาเฟ่ <c oughs> ตะกอนนูบุญาตายายนะไม่ไปโรงพยาบาลโรงพักบนอะ่นนะศาลน่ะ ยิ่งแล้วอีกสารน่ะจะให้คาเฟอเตสินเหรอเป็น ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้แต่ก่อนนุ่มมุสลิมไม่รู้จักลักโดยราชการหรือยังไงแลเ้เป็นเป็นเป็นปึกแผ่นเดียวรักใครกันนะของแสนแสบเนี่ยเขาบอกว่าคนภายเรือแสนแสบนี่นะครับเวลาสบอเวลามาืม่อกี้มันได้ยินจะเสียงคุรอานดังลั่นสนั่นเลยตลอด แนวคลองเลยทำไมอ่ะเขามีเขามีามสาสนาไงเขารักษาไงแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูศาลดิไปดูคดีในศาลดิองใครอ่ะ ฟลูสตัวรนนุ่ฟุสมัย صحاب ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเริมสงครามแรกสงครามบตตรเนี่ยเริ่มมีทรัพเ์เลยแล้วนะ صحاب ะบังท่านบอกว่าเริ่มมีปัญหาละเรื่องแบ่งทัพย์เลยจิตใจเปลี่ยนละเริ่มคัดแย้งกันแ ล, ล้วอัลลอฮฺไม่ปล่อยจึงประทานลงมาสุร้อนหนึง่ง เพื่อจะได้จัดการเรื่องนี้ไม่ใช่จัดการแบ่งทรัพย์เฉลยอย่างเดียวเพราะเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยในสุรัตน์อันฟลอันเฟลไปว่าทรัพย์ทรัพย์สินเฉลยเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยในสุร้อนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสามสี่อายะรวมทั้งหมดนี่ใมหกสิกว่าอายะ แสดงว่าสุราทั้งหมดนี่แบ่งแล้วไม่ใช่คือสุราทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องสาเหตุที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยชนะทำให้มุสลิมเนี่ยทำหน้าที่มีบทบาทในการดูแลโลกนี้เนี่ยให้เกิดศัจธรรมให้ศัจธรรมมันประจับยิ่งใหญ่เอาแล้วจะมีทรัพย์สินเนี่ยจะมาทำให้ พวกนักลบเขวไปไปขัดแย้งกันเรื่องการแบ่งทรัพย์ฉเฉยนี่อย่านะแบ่งกันให้ดีวางมาตรการให้ดีเรื่องทรัพย์สินเนี่ยจะได้ไม่กระทบเรื่องนับสู่จิตใจของผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้มุ่งมั่นทำหน้าที่จิหาดอันมีจริยธรรมมีศีลธรรมเป็นแก่นแท้ของมันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อทรัพย์ฉเฉลย นี่คือเป้าหมายของสูรัตน์อลอัลฟาเข้าใจนะที่ใบที่มาของสูรัตน์เลฟเล่ายาวไปหน่อยบงอย่างผมก็ดูคือการอธิบายกุรานในยุคนี้เนี่ย แร้อธิบายให้มุสลิมแล้วก็พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็ผมมองแล้วก็นนะักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้มองว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จุดแข็งของกุรตาเนี่ยที่มีอยู่ในกุรตาเนี่ยมันอ่อนลง ในหัวใจของผู้ศรัทธาคือการศึกษาเรียน ร, ร, ร, รู้อัลกุรอานตามตัวบทและตัวอักษรโดยไม่ใช้คำเรียกร้องที่กุราน้บอกว่าอัฟซลัยะตะดับบารุนอัลกุรอาน แต่ก่อนน้นคนที่มีความรู้กุลแานนะคนที่มีความรู้นะคนที่มีความรู้ศาสนานะสหายบาเนี่ยก็จะได้กว่ากอริถ้าสำเนียงบ้านเราคนที่มีความรู้อุลามานะก็จะได้กอรีอ เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้กอรีนี่คือคนที่ได้แต่อ่านอ่านอย่างเดียวไม่มีความรู้เ อ, อ่นักกอรีนักกอรีถ็าถามความหมายความรู้ฝึตัวได้ไหมผมได้อ่านอย่างเดียวครับไม่ได้ตำหนินะไม่ได้ตำหนิแต่นี่คือข้อแตกต่างของมาตรฐานไง ทำไมอ่ะพระตะกอนนู้นในเวลาเขาอ่านนี่เขาอ่านตามมาตรฐานคราเรียกร้องของคุษุนอ่านอฟแลยอัลลอ์ไม่ได้บอกว่าทําไมเขาไม่อ่านอุษุนอัลลอฮ์เรียกร้องว่าทํไมเาไม่ไม่ใช่อฟลยตดับบูรน่ะไมเขาไม่ตัดับบุรตัดับบูรแปลว่าอะไรตบุรแปลว่าเขาลึกอ่มาจากอะไรมาจากมาจากตัดับบรนี่มาระศักดันเนดูบุร ดูบุรุคือข้างหน้าและข้างหลังอ่ะดูบุรุนี่คือข้างหลังข้างหน้าเนี่ยคือ ท, ที่เราอ่านอ่ะสำนว น, อ, น อ, อ, อ่ะอ่นอัลอัมฟัลซัมชอรเลยอ๋อซูร่านี่พูดถึงเรื่องซัมเชอเลยแบ่งซะแค่นี้ล่ะ าที่ปมาส่วนมากกันเนะออสุรนนี่ชื่ออะไรอัฟลฟาพูดถึงเรื่องอะไรับซแบ่งกันแบ่งสับเซเลยจบจากที่ผมได้อธิบายข้างต้นเนี่ยเราถึงเขา้าใจวมันไม่ใช่การแบ่งสับเซเลในสุรอนนี้นะในสุร้อนนะ น, อนี้ยนะมีส่เสียแล้วทำไมซาฮาบะก็เรียกกนอัฟัลนบีไม่ได้ตั้งชื่อแนะซาาตั้งชื่อทาไมได้กลังฟัลเพราะ มันทําไม่สามารถได้เข้าใจาเรื่องทรัพย์เฉลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมันมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นและเวเราจะรู้นี่พออัลลอฮ์พูดถึงเรื่อง mm. อัลอมแฟเรื่องทรัพย์เฉลยทรัพย์สิสนเชลยอ่านะอัลลอฮ์จะวางมาตรการในการแบ่ง mm. แล้วจะให้มีบทเรียนด้วยซึ่งบทเรียนนี่สําคัญกว่า มาตรการแบ่งบรทรัพย์พอเดเราจะดูในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยศาสนาประวัติเนี่ยเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยมันไม่ไต่ตัวในกุรานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบอายะเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยการปฏิบัติต่อเฉลยศึกอะไรเนียประมาณสิบกว่าอายะ แต่นโยบายของท่านนบีสุลตานุสลามที่ลงปฏิบัติจริงมีมากกว่านั้นในสุนนะของท่านนบีมีมากกว่านั้ น, นสห า, าบ้านละมีมากกว่านั้ น, กก น, นอุลามานี่เวลาเขามาพูดถึงเรื่องมาตรการบริหารแผ่นดินเรื่องว่าด้วยการแบ่งทรัพย์เฉลยทรัพย์สินที่มาจากสงครามอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้มองถึงแค่สิบไอ้ ในสุราตะแลงแฟนบ้างหรือในสุราเตาบ้าบ้างหรือสุรา อ, อื่นนิดหน่อยโซบก็รกร็กมีนิดหน่อยไม่เขาจะมองถึงสุนานะนบีนี่ก็มีเยอะมากศาสนาประวัตินี่มีทั้งอุษฎะและก็ฮะดีซีพูดถึงเรื่องนี้มากมายแล้วรายละเอียดเนี่ยมันชี้ถึงประเด็นสําคัญเรื่องสับเฉลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่อง สำคัญที่เราจะต้องมาให้ที่จะต้องมาให้ความสําคัญในชีวิตของผู้ศรัทธาที่ยอมเสียสละถึงสละชีพนะสละเสียสละชีวิตนะเพื่อจะได้ทําสงครามตายนี่จะได้มีทรัพย์เฉลอยอะไม่ ม, มีอิสลามอิสลามย้ำว่ามันไม่ใช่แบบนั้นถึงขั้นทดิสฮาบะบางคนเนี่ยไม่ยอมเอาเลยทรบ เลยไม่เอาเลยถึงจะแบ่งก็ไม่เอาเล ย, ถ, นนะเเลยถึงระวีจะบังคับไว่้เอาเอาแล้วก็ไปบริจาคบริจาคก็ดีบริจาคไม่ไม่เหลือทําไมอ่ะเพื่อยืนยันกับตัวเองหัวตัวเองก็ไม่ได้ทําสงครามเพื่อเพื่อวัตถุเพื่อทรัพย์สินสําคัญที่สุด น, นะครับในตัวบทคุรานและฮะดีษ รวมทั้งหมดที่เราเรียกกันว่ า, าศาสนาบัญญัติทั้งหมดนะที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เลยเนี่ยมอบให้ผู้นำจัดการในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับสังคมฉะนั้นในกุรตานีไม่มีรายละเอียดประเภททรัพย์สินที่อยู่ในบรรดาทรัพย์ ทรัพย์เฉลยมีอะไรบ้างอะที่ดินด้วยไหมบ้านของชาวบ้านด้วยไหมไปพิชิตเมืองอย่างเงี้ยบ้านของชาวบ้านจะเป็นทรัพย์เฉลยด้วยไหมอันที่จริงมันก็เป็นทรัพย์สินไงพิชิตเมืองด้วยสงครามอย่างเงี้ยบ้านของชาวบ้านก็เป็นก็เป็นทรัพย์เฉลยด้วยไหมเอ้าไม่ใช่มันมีรายละเอียดเออมันมีรายละเอียด แม้กระทั่งตัวนั ก, กรบจะเป็นเชลยศึกแต่ก่อนนู้นน่ะใครเป็นเชลยสึกนีย่ยึดเป็นทาสเลยเสมอไปไหมก็ไม่เสมอไปมีรายละเอียดท่านนาบีทำหลายรูปแบบซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอเราไปดูแลรายละเอียดนะ่ะเราจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับการ ที่ผู้นำเห็นมันประโยชน์สูงสุดสำหรับสังคมไม่ใช่สังคมไม่มีสังคมมุสลิมนะไม่สังคมที่เขาไปพิชิตด้วยเพราะวตอนนี้เขามนี่พิชิตเมืองอิรักนี่พิชิตด้วยสงครามนะนักรบนี่ก็เรียกร้องว่าเนี่ยนาสวนของชาวบ้านนี่แบ่งให้นักรบอุมารปรึกษาสหบากรไม่ได้ ให้ชาวบ้านนี่ก็อยู่เหมือนชาวบ้านที่ไม่ใช่มุสลิม嘛นะแลก็อยู่เหมือนที่ให้เขาถือครองที่ดินของเขาบ้านของเขาเนี่ยเหมือนเดิมแต่ให้เขาใจภาษีเหมือนมุสลิมใจราการนี่แหละเอาแสดงว่าซาฮบา น, นี่เขาไม่เข้าใจกุฎอ่านเขา้าเข้าใจกุฎอ่านแต่อมว่ามุขตอมนี่เรื่องนี้มีรายละเอียด น, นะอมว่ามุขต้อมเนี่ยเขามองถึง ศาสนาบัญญัติในคุรานและฮะดีสที่พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยที่มันมีหลายประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวอแน่นอนอย่างทรัพย์สินที่มันชัดเจนนะอย่างเช่นดาบอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนนันกลบบางคนเนี่ยเอดาบของเขาเนี่ยก็จะมีเข็มกลัดเป็นทองคําเป็นะมีเพชรพลอยมีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยทรัพย์เฉลยเนี่ยบางทีเนี่ยตก่อ น, นพวก พวกนักรบพวกแม่ทัพเนี่ยเขาจะชอบชอบเอาทรัพย์สินส่วนตัวมามาอวดมาโชว์ด้วยมานี่มันจะได้เนี่ยนี่ยเป็นซ้าเฉลยแบบเนี้ยเป็นซ้าเฉลยแม้กระทั่งซ้ำเฉลยเนี่ยจะเป็นยังไงก็มีรายละเอียดเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้นำที่จะเห็นประโยชน์สูงสุด สำห ร, writers, รับนักลบสำหรับสังคมสังคมมุสลิมและก็สังคมที่ถูกพิชิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสุรนีไอ้เร่อนี้ถูกประธานลงมาในหลังสงครามบัตเตรและเกิดความขัดแย้งเรื่องเรื่องทรัพย์เชลในเรื่องโกรนาอิมเนีย ก็เลยถามท่านนบีส ل ลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะัลลัมเาเราจะแบ่งยังไงครับท่านนบีเราจะได้ไม่ขัดแย้งกันนับสูของเราจะได้ไม่รู้สึกเปลี่ยนแบบนี้ทำยังไงดีล่ะยสอุนักะนิลอฟัลิคว์ลิลอัมฟัลุลลลาฮิวรัสูลพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์บรรดามันไม่ทรัพย์สินชนิดเดียวนะบรรดาทรัพย์สินเฉลย จงกล่าวเถิดอ้โมฮัมว่าดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอ์และของมุรสูลและอัลลอห์มอบหมายท่นานบีซอลลัลลอฮุลลลัมในการบริหารจัดการก็สแสดงว่าเป็นสิทธิ์ของผู้นำซึ่งในระบบของอิสลามเนี่ยผู้นำนี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะผู้นำมีอะไรชูรอซาเร ในหลายเรื่องอะนมีท่นานอับีไปพิชิตที่เมืองต อ, อิฟเนี่ยแล้วนบีเห็นที่จะไม่ไม่เอาเฉลยศึกในเป็นทาตนาบีปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยเฉลยศึกนบีก็เลยปรึกษาบรรดามุสลิมีนชูรอนี่ว่าจะปล่อยไหมปล่อยดีไหมเขาก็ยอมปล่อยม่มขึ้นอยู่กับผู้นํามันไม่ใช่เรื่องตายตัวแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ย ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องแบ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบ่งเรื่องแบ่งเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับผู้นําผู้นําจะเป็นจะเป็นคนตัดสินอาจจะมีมาตรการบางมาตรการอยู่ในสุรัตน์อัมแฟร์ลิจะมีรายละเอียดสองสามอญญายะที่หลังนี่ตรงกลางสุรร์เนี่ยแบ่งแบ่งรับซับเฉลยเนี่ยที่ที่ได้พบในสงครามอะไรเงี้ยแบ่งเป็นห้าส่วนสี่ส่วนนี่แบ่งให้นะครบ และก็อีกส่วนหนึ่งนี่ให้ผู้นําจัดการแต่ทรัพย์สินอย่างอื่นเนี่ยผู้นํานี่จะเป็นคนบริหารอันนี้รายละเอียดบางอย่างนะแต่โดยรวมเนี่ยผู้นําพวกคุณอย่าอย่ามาทะเลาะกันนะให้เชื่อฟังผู้นําตัดสินสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดนะอันนี้นี่จัดการเรื่องวัตถุเคลียเรื่องวัตถุแต่ที่สําคัญที่สุดดังนั้นฝัด ตัก <|ja|> ุอัลลอฮ์และอัลสลิฮฺดัต بينكم ดังนั้นพวกท่านต้องย่มเกรงอัลลอฮฺเถิดนี่แหละทุกอย่างในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องงานให้เราและหมานี่ก็จะได้ย่มเกรงถือศิอดเพื่อย่มเกรงฮัจ์ก็เพื่อย่ำเกรงแม้กระทั่งจะแบ่งทรัพย์เฉลยอะนะต้องมีความย่มเกรง ทำไมอ่ะเพราะถ้าแบ่งกันแล้วก็ยังไม่ย่มเกรงก็แสดงว่าทํา j ิ h า d กันเช่นเดียวกันกระซิบบอกตัวผมแล้วกับพี่น้องด้วยนะแบ่งมรดกเนี่ยแบ่งแล้วก็ต้องย่มเกรงแบ่งมรดกแล้วนะเราแบ่งทุกต้องไหมเราทําตามที่อัลลอฮฺรัสูลสั่งไว้นี่นี่คือเป้าหมายไง ไม่ใช่แบ่งแล้วเออเออย่างนี้อย่างนี้แฟร์เอออย่างนี้ขายเป็นชิ้นเป็นก้อนมันจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นก้อนอันนี้แบ่งมรดกเพื่อประโยชน์มันเหมือนเอาทรัพย์สินของปู่ย่าตายายนี่มาเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกพอใจไม่พอใจนี่ถ้าเราได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อันนี้ให้มันเป็นเรื่องรอง แบ่งมรดกเนี่ยให้กลัวมากที่สุดเนี่ยเราแบ่งถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่เหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าแบ่งแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ย แ, แบ่งกันแล้วเนี่ยมอบให้อัลลอฮ์สาซูลและแบ่งเสร็จแล้วนี่นะฝัตตกุลลอฮ์เย้ยเกรงอัลลอฮ์ตันเถิดและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่าน ว่าอลิฮูดะตะเบีนิคุมปรับปรุงก็คือจิตใจระหว่างพวกท่านอย่าให้จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนื่องจากวัตถุเนื่องจากทรัพย์สินจิตใจเอคนนุ่นได้ฉันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไงแม้กระทั่งสมัยท่านนาบีสุลล่านละวะเาะซัลลัมและนบีก็ปลอบใจคนที่ได้น้อยสัเชเลย บอกว่าอย่าคิดว่าที่ฉันแบ่งให้คนนี้เยอะคนนู้นเยอะนั่นหมายรวมว่าคนนั้นนะ่ะอยู่ในดวงใจของฉันหรือเป็นที่รักของ oul, อัลลอฮฺละสูลหไม่ใช่ผมให้คนนั้นนะ่ะนบพี่บอกว่าฉันให้คนนั้นนะอูดร้อยตัวแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เขาเนี่ยได้กูดไปร้อยตัวแต่พวกคุณเนี่ยได้อะไรอะ่ะได้อัลลอฮฺละสูล นบีปลอบใจสฮามา ท, ที่เขาเขามีเขามีจิตวิญญาณสูงอะ่ะไม่ได้สู้รบไม่ได้รับใช้อิสลามเนี่เพราะเพราะทรัพย์สินเพราะสตดุ้งสตดั้งเขาได้สตดั้งไปแต่ว่าคุณได้อะไรแด้อัลลอฮ์นอัลฮุสูลใครใครชนะกว่าละ่ะใครได้กําไรมากกว่าละ่ะคือเทียบแล้วอนบีบ คนนูนก็ได้อูดคนนั้นก็ได้แพะคนนั้นก็ได้วายได้ได้วัวไปนะได้ทรัพย์สินดีใจกันใหญ่เลยคนนั้นโอ้ได้ได้ฝูงแพะไปร้อยตัวจากทรัพย์เลยไงไ ด, ได้ดีใจมากแล้วก็อังสอร์น้อยใจว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนบีบอกว่าอย่าน้อยใจพวกท่านเนี่ยมีชั้นไงฉันจะหมายถึงคือท่านนาบีเนี่ย จะเป็นคนที่ฉะฟ้าให้เขาจะเป็นคนนี่ดูอาให้เขาพอ้ก็ชาวอังซอดเนี่ยจะได้ทรัพย์เฉลยน้อยที่สุดตลอดสงครามมานะนบีก็ไม่ค่อยให้อันซอดนี่ชาวอังซอดเพราะนาบีอยากให้บทบาทของอันซอรนี่ที่ช่วยเหลือท่านนาบีเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจว่าสนับสนุน นบีเนี่ยเพื่ออิสลามจริงๆปรากฏว่าอะไรชาอองซอร์เนี่ยแล้วลูกหลานเขาเนไม่เคยมีคนจนเลยไม่เคยมีใครจะจนเลยชาอองซอร์นบีบอกว่าไม่ต้องห่วงเขานี่ได้ดุนยาจากซับเชลเลยแต่พวกเจ้านี่เดออัลลอฮ์ได้ก AH, ระซูบบารกาตรงนี้เนี่ยความความจเริญตรงนี้เนี่ยมัน ล้นฟ้าอย่าไปเสียใจเช่นเดียกันในเวลาแบ่งมรดกเนี่ยคนนู้นอยากได้ตรงนี้คนนี้อยากได้ตรงนี้เนี่ยใครเป็นพระเอกอะไม่ใช่คนที่รู้กฎหมายเก่งที่สุดคนที่คนที่รู้รู้นัคนที่พระเอกที่สุดเนี่ยอน้องอยากได้อะไรไปพี่อยากได้อะไรไ ป, ไป ให้สบายใจเขาเนี่ยอาจจะได้น้อยที่สุดเขาเนี่ยอาจจะได้น้อยที่สุดคนนี้เนี่ยคือพระเอกทุกครั้งที่มีการแบ่งมรดกนะครับคนเก่งนี่ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่คนที่เรียกร้องสิทธิเก่งอ้างกฎหมายเก่งอ้างหลักการศาสนาเก่งไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเนี่ยพระเอกจริงๆเนี่ยคือคนที่เสียสละ เฮ้ยนี่มันได้มากกว่าเออไปไปแล้วนะมันสบายใจเฮ้ยคนนี้เอาเปรียมเอออเะไรเขาาใส่เขาสบายใจแต่เขาสบายใจนี่ก็ดีแล้วฉันได้ความเป็นพี่น้องฉันจะเอาทรัพย์สินทั่วโลกเนี่ยมาซื้อความเป็นพี่น้องเนี่ยไม่มีหรอกปู่ย่าตายายเนี่ยเขาไม่ได้เก็บทรัพย์สินมาเนี่ยจะได้เรามาฆ่าตายนี่มาหั่มกันมามาฆ่ากันฮะมาขึ้นศาลกันจะได้ เรามาแบ่งมารดกกันแบบนี้เนี่ยปู่ย่าตายายที่อยู่ในคบเนี่ยแฮปปี้ไหมเขสบายใจไหมลูกหลานนี่ทะเลาะกันมีชินดีเลยอัลิูซาตบยนมปรับปรุงคือปรับปรุงนับสูซาตบยนมระวังระวางพวกท่านวติุลลอฮวลซูละติอุตประกัน ที่จะทำให้พวกเจ้านี่ไม่ทะเลาะกันคืออะไรอติอัลลอฮีฟังอัลลอ์รี่อัลลอ์ตัินที่รสนีตัดสินแบ่งก็เท่านี้เท่านี้เนี่ยอัลฮัมดุลลาะแค่นั้นแค่นั้นอิ่งกุนตุมมุมมินีนหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยแบ่งตามหลักการที่อลลอฮ์สนำกหนดไว้อัลลฮ์รตัดสินว่ายังไง แล้วก็ปรับปรุงนับสู่อ่ะที่เราทําสงครามกันที่เรามาแบ่งทรัพย์เฉลยกันเราไม่ได้ทําเพื่อทรัพย์สินเพื่อดุนยาทาแล้วเพื่ออะไรเพื่อยืนยันว่าตกลงตัวเองเป็นผู้ศรัทธาไหมเริ่มต้นในที่พวกพวกนั้นศรัทธาแล้วก็มาอยู่กันบีแล้วก็ถูกค่มเหงึงจ น, จ น, จนตั้งต้องทองําสงครามเนี่ยเพราะอะไรเพราะศรัทธาไงตกลงศรัทธาจริงไหม เช่นเดียวกันเหมือนเรื่มรดกเนี่ยเวลาเอาหลักศาสนามาแบ่งกันเนี่ยตกลงเราเป็นมุสลิมใช่ไหมผู้ศรัทธาใช่ไหเราต้องแบ่งมรดกในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเวลาแบ่งมรดกเนี่ยเราต้องตรวจสอบเราแบ่งตามที่อัลลละอูซลกชัดเจนหมทาไมอ่ะเพราะความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันอาจจะหายไป ถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ใช้กฎหมายกาเฟตใช้กฎหมายสากลใช้กฎนับสูนิสัยสันดานความต้องการกิเลสของตัวเองในการเรียกร้องสิทธิ์ของทรัพย์สินของวัตถศรัทธาตรงไหนละถ้าหากว่ากฎหมายของอิสลามบอกว่าให้แบ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แตราบอกเฮ้ยมันต้องแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ศรัทธาตรงไหนแล้ว่ะคือในเมื่อเราเรากับหลักการศาสนานี่อยู่กันคนละฝั่งแล้วเขาแบ่งตามหลักการศาสนานี่เออไม่แฟร์หรอกถ้าจะเอาแบบถ้าจะเอาแบบหลักการศาสนานี่มันไม่แฟร์มุสลิมบางคนขั้นพูดแบบนี้ไปพูดที่สารน่ะแล้วคนที่เสนอโนวิววิววัคซาที่ไม่ใช่มุสลิมมาบอก่เฮ้ยไปแบ่งกัน ตามศาสนาอิสลามของพวกคุณดีกว oh. ่าไหมเฮ้ยถ้าแบ่งท่านนะแบ่งตามแล้วกันสมมติไม่แฟร์หรอกเอาแบบกฎหมายไทยเสี่ยงกันแล้วมันสลามัยไมละฮะแล้วสุดท้ายนี่มันนะมันสลามัหมสุดท้ายนี่ พี่น้องแท้ๆเลยแบ่งมรดกไม่ถูกกันก็มองหน้าไม่ติดกันมองหน้าไม่ติดกันเป็นมุสลิมแท้ๆเลยแต่แบ่งว่าขัดย้งกันเรื่องทรัพย์สินไงเรื่องสตังไงมองหน้าไม่สลามก็ไม่สลามกันแล้วคนที่มาซื้อที่มรดกนี้นะเอามาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับใครเป็นใครก็ไม่รู้ เขามาซื้อที่ของปู่ย่าตายายเราอนะะถ้ากยเป็นมิตรแต่พี่น้องแท้เราแล้วผมเรียกร้องพี่น้องทุกคนพี่น้องมุสลิมทุกคนอย่าขัดแย้งกันเลยเรื่องมรดกอย่าทะเลาะกันเลยเรื่องมรดกถึงขัน้นดีเขาจะมาเอาเปียบเราเนี่ยเอาเธ อ, เ, อเธอเสียหลัเธอะ وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.